Thank you. อาญ้างไหวพระพอละนี่ก็ต้องไหวเนี่ยไหวพระพุทธเจ้าติดตัดงเ้าเราเองโดยโดยพระองค์เองน พูดทรไปว่าเนี่ยพโลรพเตือนูดเบิกบานเนี่ยหรือขอนอนน้อมอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละทำไงถึงแย้เข้าถึงอันนี้เข้าถึงสะอาดสว่าดสงบที่จริงก็ถึงได้เดี๋ยวนี้นะดูจิตดูใจดูความรู้สึกของเราเนี่ยพอเห็นความรู้สึกก็สะอาดนะไม่มีอะไราราโลเราดูเฉยเฉอน้องไม่เปิดพัดลมนั่นตัวนั้ อนั่งให้สมายนั่งตัวนั่งตัวตรงนั่งตัวสมาแล้วสังเกตนั่งไงไม่ปวดเมื่อยนี่ก็คือแก้ทุกข์นั่นแหละก็คือดับทุกข์ดับทุกข์แล้วแก้ทุกข์เราแก้ทุกข์ไมดับเราต้องเคยแก้อยู่เรื่อยๆเพราะนี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆทีแล้วนั่งสบายๆเดี๋ยวพอไปถ้าพักถ้าเราไม่ดูเดี๋ยวมันก็ปวดเมื่อยอีกนะ ถ้าเราเคยรู้อยูเย่เราเคยรู้เราก็แก้ด้วยมันก็ไม่ทุกข์ก็ไม่มีทุกข์มีทุกขนะ์แต่เราเคยแก้ยอยู่แ ล, ล้วเพราะสังขารนี่เป็นทุกข์สังขารนี่เป็นทุกข์สังขารหมายถึงร่างกายจิตใจนี่เป็นทุกข์นะเราให้เราเรียนให้เรารูทนนาาาา้ทุกข์นั่นเองสร้างเกี่ยวว่าณนี่เคลื่อนไหวไปทีเราดู ยังไงหายใจยังไงผอนผอมลงอกลงใจนันแหละเรรู้จักหายใจยังไงเดีนี้รู้สึกผอทผอมลงอกลงใจห้ใจอย่างไรถึง๋ยเบียดเบาเนื้อเบาตัวดีรู้เนื้อรูตัวดีเดินเนื้อเดินตัวดีไม่อัอนไม่ก้านถ้ามันอัอนไม่ก้านมันก็ไม่สบายอ่ะมันจะทุกข์แหละก็รู้จักก็ต้อรู้จักที่คลายผ่อนคลายเนี่ยร่างกายมันไม่เก็งเนื้อเกร็งตัว เรื่อเราไปเรีนสะดวกมันก็ไม่ทุกข์ก็สบายก็เป็นไปเพื่สบายเป็นไปเพื่อมีทุกข์นะไม่มีทุกข์ก็สบายถ้ามันปวดเมื่อมีจะสบายไหมไม่สบายเนี่ยวิธีนี่อย่างที่เรว่าจะเริญสติหรือทําวิปัสสนานะหรือให้รู้นั่นเองให้รู้จักตัวเองดูตัวเองดูกายดูใจน่ ถ้าเรารู้กายรู้ใจอย่างนี้ไหมกาก็ดูก็รู้ได้เคลื่อนไปก็สบายเคลื่อนไหวไปทีจเป็นไงเบามือเบาแขนดีทาไปเฉยเฉยแล้ก็มันมีความรู้สึกเราต้องทําอะไรไอ้แขงก็เคลื่อนไปเฉยเฉยเคลื่อนไปก็เบามือเบาแขนดีจิตใจเราก็สงบอยู่รู้สึกถ้าเรารู้สึกสงบแล้วเห็นความรู้สึก ต้อดูความรู้สึกของเราด้วยดูใจของเราด้วยดูความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกที่เชอะเห็นความรู้สึกก็จะเฉย่ะนามันจะไม่มีความคิดเห็นอะไรเลยถ้าขณะใดแล้วไม่เห็นความรู้สึกเนี่ยมันจะคิดล่ะถ้าเราเห็นความรู้สึกมันก็จะหยุดนั่นแหะเธอสงบละนี่ให้เรารู้จักสงบไม่ไปทําความสงบให้เรารู้จักความสงบถ้าเราดูก็สงบ ก็ไมกต้อมีความคิดเห็นถ้าไม่มีความจําเป็นเมือนขนาดนี้ไภิตขีเราว่างจากภาพคิดความเห็นเขาว่างจากโลภโทสะโมหะวางจากความยินดียินไล่ต้องการไม่ต้องการอยากไม่อยากนี่แหละภาวะของภาหังเป็นไปอย่างนี้ได้ก็ว่างจากสิื่องเหล่านี้นะภาวะของพรภาลังแหล่ะ คือะไคือไกลจากกิเลสเอรหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสก็ไกลจากข้าสึกหรืเอเรียกว่าอาริยะแปลว่าไกลจากข้าสึกไม่มีข้าสึกรบกวนจิตใจเราจิตใจเราไม่ถูกกิเลสมันรบกวนเราเห็นจิตใจเราก็อย่าควบคุมความรู้สึกของเราได้ให้ปกติไว้เฉยเฉ ย, ยไ ป, ไปสบายสบายเฉย เฉยนะถึงจะได้ยินได้ฟังได้ดูได้เห็นอะไรต่อะไรที่ถูกใจไม่ถูกใจเราก็ดูเฉยเิงใจเราเฉยถ้าเราเห็นใจหรือเห็นความรู้สึกของเราขณะนี้เราเห็นความรู้สึกนี้ความรู้สึกเราก็จะเฉยเราก็เฉยได้เฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ไปขัดแย้งอะไรถ้าเฉยไม่ได้จ่ิงอะไรนี่น่อะก็ต้องโตเถียนต้องเถียนกันทะเลาะกันวิวาทกันแหละนี่มาอย่างนี้ อย่างนี้ก็ไม่สงบนะมีปัญหาแหละแต่เฉยไม่ใชเฉยแบบไม่รับรู้เฉยแต่รู้อะไรเออควรจะทํำยังไงควรจะแก้ไขรยังไงแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้แล้วก็เฉยแล้วก็จะมองเห็นที่เราเฉยเนี่ยมันจะมีสติปัญญาเพื่อไม่ให้มีปัญหาเราเฉยเราก็จะดูอยู่ว่าเออเดี๋ยวนี้มีเลื่อนไหม ก็เป็นไปเพื่ออย่ามันมีเรื่องหรือมีเรื่องก็เป็นไปมันหมดเรื่องไ ม, ไม่มีทุกทางนั้นเลยการปฏิบัติก็ต้องรู้อย่างนี้คือไม่ใช่มุ่งไปเอาความสงบแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะมารู้ความจริงอย่างนี้มันสงบไม่ได้หรอกขณะนี้ถ้าเรามานั่งทําอยู่นีไม่มีอะไรเท่าสัมผัสมันจะสงบถ้าออกไปข้างนอกไ ป, ไปเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับการงานอยู่กับกระทบสัมผัส เอาลพาะพอไม่ถูกใจก็ไม่ถูกโผถู ก, ถกตาถูกใจก็ใช่จะหมดหนิดใช่จะลําทางอนะ่ะเอาละเดี๋ยวมันโกรธเป็นเยนะเอะแล้วนะเขาเกิดอารมณ์เนี่ยเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาเอาละเนยุ่งแล้วเนยะ์สนุกแหละนี่นหะการปฏิบัติปฏิบัติทําไมเออชาจิตใจเป็นไปเพื่อไม่ทุกไม่มีทุกไม่บุญมายดิตใจไม่บุญมาย ไ, ไม่ดิน้นรน ไม่ลุ่มร้อนร้อนอกร้อนใจหนักอกหนักใจนั่นแหละก็เนี่นั่นก็เรียกว่ามีธรรมะรู้ธรรมะไม่ต้อปฏิบัติอะไรแล้วไม่มีทุกข์อยู่แล้วะจะมาปฏิบัติเอาอะไรถ้ายังมีนะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีให้เราฝึกเพืพ่าจะดูจิตใจกเพื่อรู้จักควบคุมความรู้สึกนึกคิดของเราเ น, นี่ยนะปกติหรือทให้มัสงบอยู่อย่างนี้ แนย่างเงี้ยมานั่งดูเพื่อศึกษาด้วยวีให้เรารู้จักรู้กายรู้ใจของเราเือรู้โลกรู้นามรู้โลกรู้นามรู้กายรู้ใจรู้โลกนามรู้นามโลกนี่อีกเรื่องหนึ่งคำาโลกนามโลกนามก็หม่ถึงความรู้สึกนั่นะ ดูใจของเราที่มีความรู้สึกความรู้สึกมีมีความรู้สึกไงเดี๋ยวนี้ความรู้สึกสงกไป่สงบเนี่ยเราเห็นนั่นแะนั่นแหะเป็นรูปเป็นนามอธรรมะเรเราสัมผัสไม่ได้คนอื่นเห็นไม่ได้เราจะเห็นใบใจนั่นแหะเรียกว่านามนามลูกลูปแต่มันเป็นนามเป็นเรื่องของ จ, จิตใจเรื่อ ง, องควาความรู้สึกว่างถอะนามนี่แปลว่าลูกความรู้สึกหรือเกี่ยวว่าเรื่อง จ, จิตใจ รูปนามนามรูป น, นามนามรูปก็หมาหนถึงอะรูปนั่นเอง <c oughs> นี่อย่างที่จะซับช้ชอนดีอันนี้อย่างที่ฟังให้เข้าใจยากรูปนามนามรูปอะไรเนี่ยครับเอย่าไปพูดอย่างนี้แล้วก็พูดอะไเนี้ความรู้สึกทางกายทางใจก็แล้วกันนะเห็นความรู้สึกทางกายทางใจ <c oughs> เห็นกายเห็นใจของเราอยู่เมื่อกี่บอกไว้แล้วเป็นไงปวดเมื่อยไหมสบายมือสบายแขนไหนั่งอยู่ไม่เกร็งเรื่องเกรงตัวเลยลองดูดันสะดวกนี่เา็นกยเห็นกา ย, เ ป, กายเป็นไงนั่งไงถึงไม่ปวดเมื่อยถ้าปวดเมื่อยก็รูจ้จักคลายรู้จักพอ่อนคลายรู้จักแก้ไขนี่อย่างนี้ให้มีปัญญาอย่างนี้เรียกว่านี่เลาวิปัตนาเรีย ว, นน ว, ยวความรู้อนบิเศษ์คาว่าวิปัตนาแปลความรู้อนบิเศษ รู้เห็นตาพาเป็นจริงเนียปัญญาที่รู้เห็นตามที่มันเป็นจริงอันนี้นี่เราก็เห็นได้ปวดเมื่อยไหมเอปวดเมื่อยก็รู้จักคลี่คลายไงถึงจะหายมันหายหา ย, หายปวดหายเมื่อยปวดเมื่อยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ไม่สบายแหล ะ, ะรู้จักคลี่คายรู้จักผ่อนคลายจิตใจเหมืนกันรู้แล้วแหลรู้จักแก้ไขรู้จักผ่อนคลายนี่เกิดปัญญาอย่างนี้นี่แหละปัญญาของวิปัสสนาคืออย่างนี้ ปัญญานี้มายถึมารู้เรื่องกายเรื่องใจรู้ของสังขารแต่ปัญญา อ, อย่างนะั้เรียนรู้ท ร, รมาหากินเรียนนัเป็นยาตีเป็ญยญาทอเป็ญยาเอกนี่ความรู้อันนั้นมันโลกโลกอย่างของโลกปัญญาอย่างโลกโลกนะมีปัญญาทา ง, ทาง ศ, าศาสตรสนาก็หมายมเชนอันนี้ปัญญาความดับทุกปัญญาโลกโลกใช่ไหมน่ะ เรียนจบเป็น ญ, ญาตรีเป็น ญ, ญาโทเป็น ญ, ญาเอกก็ยังมีทุกข์อยู่บาที่เรียนมากยิ่งทุกข์มากก็มีประสาทกินเยอะเยอะบทีเรียนมากรู้มากก็เบี้ยวมากที่โง่ป <c oughs> ัญญาทางวิทยาสตร์ศนาไม่เป็นแบบ น, นั้นเป็นการเพื่อสื่อสัตร์สุสสจริตไม่มีเล่ไม่มีเดยน เป็นไปเพื่อไม่มีทุกข์นั่นเองนะถ้าผิดจากนี้แล้ว่ะเป็นอย่างเอื่นแล้วนะแล้วเรือสองมาพิิีมาเห็นชอบชอบเห็นชอบมหมายว่าเที่ยวความรู้ของเราเนี่ยเรารู้รู้เหตุรู้รรรผลรู้เป็นไปเพื่อไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีเครื่องกางบนเป็นไปเพื่อไม่ไม่เกิดความกางบนไม่เกิดทุกข์ รวยอย่างนี้ถึองอวิเศษที่สุดเลยถึงแม้ไปอยู่ข่าอะไรก็ได้ที่ยิ่งดีก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความงอกงนามชีวิตไม่มีความตกต่ำถ้าจิตใจเราว่างจากกิเลสตัณหาต่างๆยิ่งทำประโยชน์ได้มากาคือว่างแบบไม่เอาไหนถ้าจิตใจว่างเนี่ยไม่มีเ ร, รื่รบกวนเนี่ยมันจะไม่เบื่อหน่ายไ ม, ไม่ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายไม่เส้น จะทำงานจำเจแค่ไหนก็ไม่เบือ่อกับมีความพอใจพอใจรู้การรู้งานรู้หน้าที่ทำหน้าที่ถูกต้องดีที่สุดด้วยถูกต้องไปเห็นข้อความของผู้จัดการเขียนิว้ในกระดานนะหน้าที่เราต้องทำแค่นี้แค่นี้นะคนบางทีก็ไม่เข้าใจนะใครๆก็รู้อนะ่ะแต่รู้แล้วมันไม่เป็นไปนนตามนั้น ใช่ป่ะนีหน้าที่เราต้องทำํำนี่ก็หมายถึงว่าธรรมะก็คือหน้าที่นี่เมื่อให้เรารู้จักหน้าที่อ่าถ้ารู้จักหน้าที่แล้วไม่มีปัญหาเราทําหน้าที่ถูกต้องถูกต้องมันจะไม่มีปัญหาเลยจะเป็ น, ปนลูกน้องเราจะเป็นลูกพี่ก็ไม่ไม่ต้องหนักอกหนักใจนะ <c oughs> เป็นลูกน้องทําให้ถูกต้องก็ไม่ทําให้ลูกพี่ต้องหนักอกหนักใจต้องเสียความรู้สึกนะ ลูกน้องดีทําไม่รู้จักแล้วนะโอ้นี่นดีรู้ธรรมะเลยจริงๆด้วยของวิเศษจริงๆพอเราเกิดมาไม่มีอะทาหน้าที่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ไม่มีทุกข์พอเราพอเราถ้ามันไม่มีทุกข์ทุกอย่างแล้วมันก็ไม่เนร่มันก็ไม่มีมมมปัญหาชีวิตถ้ามีทุกข์เราก็นะ่าจะมีปัญหา แล้วคนเราทุกวันนี้ก็เกิดมากก็แสวงหาความไม่มีทุกข์ด้วยกันเท่านั้นแ่ะแต่มาแสวงหาผิดผิดก็นึกว่าเออต้องมีนู่นนีนี่มีนั่นมีนี่มีอย่างงู่นมีอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรต่อะไรมีไหแล้วจะได้ไม่ทุกข์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะยิ่งมีมากถ้าไม่รู้ทำมากยิ่งทุกข์ยิ่งทุกมากวิตกกำหนวนมากแล้วคนเรานี่ก็แสวงหาเพื่อจะมัรงลง บ่หมกมุ่งเลอตัวเองให้ทนอากทุกข์นั่นเองเพื่อไม่ให้ทุกข์นั่นเองแต่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้ศึกษากระทำจำเจซ้มซากอยู่อย่างนั้นนะตัวแองหาหาความดับทุกข์นะหากินหาอยู่หาอะไรกินให้อร่อยอ่อยจะได้โอ้มีความสุขจริงที่ไหนหลอกลวงตัวเองหลอกตัวเองนัยิ่งสร้างทุกข์เข้าไปอีก ยี่ไปเสือหาอะไรต่างๆยิ่งหาความสะดวกสบายมากแค่ไหนแลยิ่งมีหน้ายิ่สร้างทุกข์ให้ตัวเองเท่านั้นสร้างภาร ะ, ะตัวเองอ <c oughs> นะเงินทองก็ไม่พอใช่เป็นหนี้เป็นสินเป็นตามๆกันเดือดร้อนเป็ น, ปนตามๆกัเนี่ยคราวนี้ไปกรุงเทพที่จทิงไม่เคยเข้าไปในห้างเลยนะคร <c oughs> าวนี้ไปก็กรณีนเลศรุปศิษย์เขาเรียนมองังกรเลยล่ะเขาเป็นเหลนเลยฮะเป็นหลาน เล็กหลงโปรพอดีเขาว่างดินี้ไอ้โทรศัพท์เก่าๆของเรานี่ก็คิดว่ามันตัวเล็กเออตัวใหญ่ดินี้มองเห็นชัดดินี้นี่ น, นี่มันเล็กเลยอย่างงี้แล้วมันมันมืดๆ ด, ด้วยพอกดแล้วมันไม่ก็เห็นโดยต้องใส่แห่นราวมต า, มต า, มตามนั่นเนี่ยก็ไปเออเาไปดูโทรศัพท์ที่ห้าหน่อยสิถาไปที่เซนซ่าโอ้โหมันกว้างขวางอะไรอย่างนั้น รถนี่โหกว้างจริงๆที่เราที่จรเาเห็นที่สายใด้มาเห็นว่าร้านจอดรถมันกว้างกูโหไปเห็นนี่มันบ้าอยู่ไหลเข้านะมีต้องไม่รู้ก <online> ี่ช really ั้นอีกข้างล่างของโหเฮ้ยอนนี้เคยไปดูบนห้างก่มองหลายชั้นที่ไหนเอาท้องขายโอ้ใจไม่หมดเกินขาดใจไม่หมดโหเห็นอะไรมันแม่มันยั่วยกพิเรศีพิรุษนี่เรามีสติโอ้ยังนี้คนไม่จนมันจะชนเ่อหร่ มีแต่โจรโจนลูกเดียวมดมีเท่าไรก็หมดอันนี้ก็ไปดูโทรศัพท์ใช่ไหม น, นี่มันออกมาก <c oughs> มันถ่ายวิดีโอก็ได้ถ่ายรูปก็ได้นะรับโทรทัศน์ก็ได้รับวิธีุอ a m s, <c oughs> <S m ก็ได้นี่ดูสิแล้วมันสาพัสมันก็ยังเก็บเสียงอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรได้หมดแ้โหน้ำไม่ทั่วเลยลูกเ่นมันเยอะเจ0 0พันบาทเอง โอ้ยโอ้ยสวยดีเนี่ทีแรกก็ทีแรกเห็นก็ใช่เห็นหน้าปัดใหญ่ๆแล้วคิดว่าจะไปดูหน้าปัดใหญ่ๆเยอะมั้ยโอมันมีรูปเล่นอย่างนี้นะโอ้อะไรคิดไปคิดมาอกไม่เอาแล้ว <c oughs> คิดไปคิดมาสู้นเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ก็เ <c oughs> <c oughs> ลยไม่ซื้ออีกอะ <c oughs> ทีแรกก็ตั้งใจว่าเนี่ยพกเงินไปนะจะคิดว่าหกเกียรพันก็เอาละนะ แต่พอมันมีลูกนี้เราก็ไม่ได้ใช้มันเนี่ยเอามาทําไมมาถ่ายวีดีโออะไรไอ้เล็กๆเนี่ยมาได้มาตรถามนี่มันใช้ได้ใช่ไหมแล้ว ไ, ไ, ไปถ่ายรูปอะไรใช่ไหมนะแล้วไอ้ฟังโทรทัศน์เราก็มีเครื่องโทรทัศน์มันยี่สิบนิ้วอยู่แล้วก็ยังไม่อยากดูเลยแล้วเรื่องอะไรมาดูทางโทรทัศน์อ๊ะแย่ป่ะนะเนี่ยแล้วก็แเราก็มันก็ถามตอบตัวเองอยู่อย่างเนี้ยใช่ไหม หรือจะความวิทยุแล้วก็มีเครื่องรับวิทยุมาไม่ดีกว่าใช่ปะ <c oughs> และนี่มันอาจไปเทงงเดี๋ยวอะไชั่วโมงก็หมดแล้วนี่ฐานแบตก็หมดแล้วอ่ามันทําได้สรารพัดเโอ้โหอย่างนี้สิแล้วมันจะไม่คนมันจะไม่หมดเงินเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะแล้วมันก็ยังซื้อกันเนี่ยเพราะมันไม่ดู้ธรรมะแล้วยังไม่จนจะไปจนเมื่อไหร่มีแต่เจ้งกับเจ้งห ม, มด โอนเงินไปหมดพวกนี้มันดูดไปหมดนะร้านขายสารพัดเสื้อพวเสื้อผ้าแล้วโอ้โหมีสารพัดหรอย่างวอะไรเคยไปแหมประภัยเซนซันอย่เขาว่าโลตัสยิ่งยิ่งนั่นกว่ายิ่งยิ่งยิ่งใหญ่กว่าอีกแต่เขาบอกพอแล้วไม่ไปแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแต่ที่จริงก็ไม่กล้าไปดูอล้วอย่างเราเป็นผ้าบันทีก็ไปเดินดูไอ้พวกนี้บางทีก็อายเข้าเหมือนกันเข้าใจไหมมันไม่ใช่มันไม่ควนอ่ะ มันไม่จําเป็นนะแต่นี้เราต้องการจะไปดูโทรศัพท์ถึงเงี้ยไปอ่ะนะพราะมันจะมีที่จุดสวนรวมมันจะมีเยอะเราก็จะเลือกได้ในชะ่ไหมไปซื้อตามร้านตามอะไรนั่นนันมันมีจำกัดบางทีเราก็ไม่เครรู้ราคาแน่นอนแต่อย่างนี้แน่นอนราคามันแน่นอนเขาเรียกว่านะแล้วอ <c oughs> ไรเของจริงกว่าใช่ไหมอาจจะไม่ถูกหลอกถูกต้มเราก็คิดไปอย่างนี้นะคิดไปแต่ไม่รู้จริงไม่ชินม่รูๆๆร้อืม อ้ยเนี่ยมีเท่าไหร่้งหมดไปเห็นโอ้มันน่าซื้อหน่าใช่ทั้นั้นน่ะของดีๆนะเนี่ยเขามีมานานแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกเมื่อวานสห้างแค่นั้นสมัยก่อนเคยเข้าห้างก็ห้างเฉีฟ้าห้างใต้ฟ้าสมัยก่อนมันไม่ได้มีอะมากอย่างนี้นั่นก็เรียกว่าห้างเหมือนกันนะก็ชอบไปซื้ออย่างนั้นเหมือนกันเข้ามันได้มีของดีๆนะยาวๆอ่ายาวประหลาด ทาไต้ฟ้าเดี๋ยวนี้ก็เลือกมานะหมดแล้วทางต้ฟ้าสีฟ้าเคยได้ยินไหมคงไม่ได้ยินนะล้มหลังนี่ไม่รู้จักอนละ้นะห้าสิบปีสี่ปีกว่าปีมาสมัยสี่กว่าปีาปเคยไปซื้อรองเท้าหนังอูดคู่ละสามร้อยสมัยนะั้นมือสี่ปีกว่าปีคู่ละสามร้อยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสามร้อยตกไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้สงสัยต้องเป็นพนะันนะนะ มันจะไหลพันเนี่ยพอความเหออยากจะใช้ของดีๆเพื่อเพจะได้โ ข, ขจะได้หรูใช้ป่ะแล้วเราก็เรามานั่งเป็นกี่ข้าขัดมันแล้วมาคอยเช็ดรองเทา้าเนี่ยพอมาศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่เอาเราใส่รองเทา้ารองเทา้ายางถูกนองถูกน้า ก, ก็ไม่เป็นไรลุยน้ําลุยฝนก็โอ้สบายหน้าไม่โผล่ไม่เปื่อยใช่ไหม อไปที่ไหนจอดไว้ที่ไหนทิ้งไขอดไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวหายนะอันนี้ขอ ด, ดีเดี๋ยวีหายกันหมดนะ่ล้วสมัยก่อนเราไปนะเ้าก็ใส่ถุงเที่ยวไปด้วยเดีย๋ยวนั้นแนวเราพวกเอาไปแล้วนะเห็น ไ, ไหมเนี่ยเรปฏิบัติ ท, ทําแล้วเหยียบพี่ว่ปฏิบัติเพื่อมันฉลาดนะเนะไม่ใช่เพื่อให้มันโง่โง่โง่แล้วว่าปฏิบัติแล้วมันฉลาดนี้มันฉลาดก่อนนี้ดูดบุหรี่วันนงสองซองเนี่ยถ้าไม่เลิกดูดตอนนี้ก็เป็นพี่เท่าไปแล้ว นะเนี่ยเดิกดูดไม่ต้องสี่สิสี่สิบปีแล้วสาสิแปดปีอ่ ะ, <c oughs> อะแล้วเริ่มปฏิบัติก็เริ่มเลิกเลยเพราะได้ฟังธรรมะเนี่ยโอ๊ยนี่เรางโง่จริงๆรงิเหมือนกับฝ่ายถูกจุงหูจุงจมูกดูดบุหรี่หลงไม่หลงดูดอยู่นะเขาทิ้งเขาทิ้งพ่นทิ้งพ่นทิ้ ง, งก่อนแลคิดว่าโอเกคเป็นผู้ชายมันต้องดูดบุหรี่ต้องกินเหล้าสิอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นไม่เป็นรูปผู้ชาย มันเข้าใจอย่างนี้ส่วนมากก็เข้าใจอย่างนี้นะมั้ยเข้าใจผิดหมดเนี่ย น, นะตอนหลังนี่พาาอบอลอโกว่จาจะรู้เนี่ยอายุตั้งสี่สิบถึเข้าว่าโอ้เสียดายชีวิตเสียท่าบอถูกหลอกไปเยอะเลยถูกผีมันหลอกนะถูกผีหลอกตลอดเวลาเลยสี่สิบปีถูกหลอกมาตลอดเวลาเลยอตอนนี้อ้าวแล้วไม่เอาก็ินมึงอยู่และวมันจะมาหลอกไม่ได้ลนล้วตอนนี้นะ อนนี้ดูหนันทุกคืนี่ทํางานอยู่กรุงเทพนะใครใครบองลมโพเนี่ยเสบบองลมโพบทตรยพันเนี่ยเข้าทุกคืนเลยมีสองโรงนี่โรงนี้ออกโรงนนท์เข้าก็เปลี่นเรื่องใหม่เรื่อย <c ười> ดูมันได้ทุกคืนนะแต่สามบาทห้าสิบเลยปลอดภัยสมัยนั้นนะชั้นล่างอ่ะมาถึว่าชั้นชั้นตามสดุดชั้นล่างชั้นถูกที่สดุดสามบาทห้าสิบ ที่บาทห้าิละชั้นสองไอ้ชั้นชั้นไอ้ชั้นสองเออชั้นหนึ่งก็อ่านี่มันชั้นสามชั้นหนึ่งก็อยากแพงขึ้นน่นอนบางทีก็ไม่ทานอกทานใจบางทีมันประกาศโฆษณาเราก็อยากได้ดูเร็วๆก็ต้องไปดูแอมไพดูหลังโรงใหญ่ๆยี่สิบห้าบาทนะนอสมัยก่อน25บ้าบาทมันเงินไม่น้อยทำงานวันได้็ดดสิบบาทอ่ะ นะสมัยนั้นเนี่ยหน้าแปดสิบบาทนะมีเป็นช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์มื่อกีได้ราคาสูงแค่ช่างไม้ที่ทําบ้านทาำฟอสร้างเลยพวกนี้ได้สี่ห้าสิบบาทใช่ไหละสี่สิบห้าห้าสิบเรานี่น 45, แปดสิบ mm hmm. ช่างเฟ <c oughs> อร์นิเจอร์โอนี่แหละธรรมะแต่รู้สึกตัวเนี่ยตัวสตินี่แหละไม่ใช่ไปมุ่งสงบอย่างเดียวนะสงบแล้วไม่เกิดปัญญา ทำไมเราเข้าใจอะไรขึ้นรู้จักอะไรขึ้นรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาตรู้จักในรลกู้จักสวรรค์เห็นมดเข้าใจอะไรควรทำอะไรควรทำนะอะไรควรละอะไรควรเลิกก็ต้องเลิกละโกรยาทําให้ได้นั่นจริงๆเิอย่งต้องใช้เวลาต้องนี่มาถึงตอนนี้สามนิตกปีละสามสิบแปดปละนะเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะเลย ้สบายนะไม่มีทุกข์เลยเนี่ยขนาดเป็นมะเร็งนะนระยะสามแต่หมอคนหลังบอกนี่ระยะสนะีนะหลวงพ่อนหลวงพ่อเป็นมากแล้วนะเป็นหนักแล้วนะเออเราไม่รู้สึกว่าเป็นะมนะอไอคีโมว่นสบสองครั้งก็ยังมีความสุขเป็นมะเร็งก็ยังรู้สึกว่าวัานๆก็มีความสุขไม่ได้ทุกข์เลยนิดเดียวมาเดี๋ยววิจัยตัวกลว่ามันจะหายหรือไม่หายนะนอนนุกเดียว ทำก็ไม่ได้พักข่อนนอนอย่างเดียวก็มีความสุขก็สบายแล้วก็กินอะไรก็ไม่ค่อยด า, ยยานี่เงินช้านี่ก็แม่อร่อยอรอยไม่มีรถมีชาเจอชื้ดไปหมดนลยแ้น ก, ก็เตือนเนื้อเตือ ต, ตัวดีกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับกลางคืนี๋ยวก็ไม่ทุกข์ก็ไม่เลยวิต ก, กงังวลอะไรก็ไม่เพียแล้วก็เพียก็เพี้ยธรรมดามนไม่ได้เพียว่าพรอีศต ก, กงังวล มันไม่มีความวิตกกังวลอะไรหายไม่หายก็ได้ไม่หาก็ได้ตายก็ได้อยู่ก็ได้ไดเนี่ยอยู่ก็ได้ทําหน้าที่อย่างนี้ไปว่าทําำมาไม่ตายกันคนผูดทำมาเอาสุขเป็นฟังมาตายก็เลยกานระจบทําไมมานั่งพูดอย่างนี้ละ่ะนะมี่ปีกว่าแล้วนี่นี่ให้หยุดให้พิโมกษ์สีห้าเดือนตายเดินตายเดือนหน้า หมอหนนะักไปเจาะเลือดตัวทคนนี้ต้อ ง, ต, องต้องติดตามดูนี่แหละมันว่ามีสติพอรู้สึกตัวแล้วมันไ ม, ม่มีอะไรที่ต้องไปกลัวอะไรความคิดกังวลวิกลังวลมันเกิดจากความคิดของเร า, านะแล้วถ้าเราฝึกนานก็เห็นจะความ ร, รู้สึก ร, ร, ร, รู้สึกเรารู้ความรู้สึกแล้วก็รู้รดิโอ้ยความคิดนี่เองที่สังขารเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์คือเกิดตัวตนเกิดตัวปูของปูขึ้มาเนี่ะทุกข์แหละ อันนี้ถ้าเราเห็นความรู้สึกมันจะไม่มีตัวกูของกูมันจะไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเขานี่เกิดอะไรู้สึกทำไมชาติรู้อะไรเป็นอะไรไม่มีอะหวังก็ไม่มีไม่หวังก็ไม่มีต้องการไม่ต้องการก็มีอยากไม่อยากก็ไม่มีโอ้สบายมากจิตใจไม่ถูกรบกวนเลยไม่มีอะไรก็ทํากันทํางานทํางานก็ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ นี่ผ่ามาต้องลีกวางเนี่ยถึงระยะหลังเนี่ยเออเนี่ยมาที่ขับมาเนี่ยเนี่ยได้มาทำเลยอะไรนะเปลียงทําตรงไหนนะยัยยนได้นะแต่ทํามากไม่ได้แล้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนี้อ็แน่นอนมันเหนือยรางการมันไม่เอาด้วยมันประท้วงเลยอนะแข้งขานี่มันมันยืนไม่อยู่เลยละมันยืนไม่ได้เลย ยอนเดินอย่างนี้ไม่จะ้ก้าวไปออกเลยเนี่ยอย่างที่กวารลานวันเนี่ยสิบสิบห้านาทีก็ต้องพักนะกว่าติดต่อเนะี่สมัยก่อนนี่กวาสามชั่วโมงไม่ต้องพักเลยนะนะสามสี่ชั่วสามชั่วโมงนี้ไม่ต้องพักเลยสามสี่ชั่วโมงได้โดยบางทีไม่ต้องพักกว่าดจวหมดเลยกว่าดเสร็จแนละ้วถึงเนี่ยตอนี้ก็มาถึงอย่างถึงเนี่ยมาเก็บมาโคลให้ตอนนั้นทีอยู่คนเดียว ยี่ม่มีเออย่าหลายหลายคนอย่างนี้ทั้งกว่าทั้งเก็บต้งกวาเส็เสร็จเสร็จกองกองวันนี้โกยโกยโกยไปทิ่งใส่เพ่งเอาไว้ก่อนลูกเดียวแล้วก็ชางที่รอดสองลูกเลยโกยแต่มีลูกเอาอีกลูกก็คอบลงไปเลยแดดสองลูกเลยนะน่ะเห็นไหมทํางานเยอะไหมแต่ทาสนุกอ่ะโอ้สนุกมันนะ ทำงานก็มีความสุขอย่างนี้เห็นไหมมันต่างกันไอ่ใฝืนใจทำขืนใจทำทำได้ความพอใจทำได้ความเต็มใจนะเนี่ยธรรมะ่ะโอ้โหเนี่ยวิเศษจริงๆถึงเห็นคนอื่นที่ไม่มีธรรมะบางท่านเห็นโอ้ทำงานหย่อนแหย่อนยหยเนี่ยขอเราก็อยากจะอยากจะอยู่ดีกินดี แต่ขี้เกียจทางานแล้วจะดีได้ไงใช่อยากจะรวยอยากจะมีเงินมีทองอยากจะใช้จ่ายพุงเฟือยอะไรอย่างนี้บหมดนะมีทางรวยได้ก็มีต้องขึ้นเงนเดือนขึ้นกันเดือนนะเ๋ยนเงินเดือนหรือขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นนะคนที่มีความสามารถมีนั่นหน่อยนี่เงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วนีไม่จะเป็นงกนจะได้ไง นั่นก็ต้องมีรถขี่มีอะไรตาอะไรต้องมีสารพัดโอ้เหอย่างเงี้ยต้องใช้เงินเดือนเยอะนะไปดูอย่างเปรียบช่านานี่มีอะไรเนี่ยปีนี้เนี่ยให้เือนรือเรื่อนตาก็ไม่ก็ไม่ได้กําไรมากเท่าไหร่ปุ๋ยตกแพงน้ำมันก็แพงนะนี่อันที่เราได้ศึกษาแล้วทาให้เราเห็นอะไรต่าง เข้าใจชีว so ิตนี่ใช่ไหมเจริญสติให้รู้สึกตัวรู้ตัวรู้ตัวพอใจเกินไหวแบ่งดีสบายมือสบายแขนดีหายใจไงปลอดปร่งลุงอกลุ่งใจรู้จักมันจะมีความสุขโดยจิตด้วยใจมันจะมีความผิดความเห็นดูแล้วก็ดูเฉยเฉยแต่เห็นจิตใจไม่ใช่ดูเฉยเฉยนี้ ถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วมันก็สงบมันก็เฉยๆนี่ยเมื่อสงบก็คือเฉยๆจิตใจเราเลยเฉยๆตาดูหูฟังเราก็ดูเฉยๆใจก็เฉยกระทบสัมผัสอะไรก็จะเฉยได้ไม่โวยวาไม่อะไรใจเย็นใจร้อนเราก็จะรู้จักเป็นไปเพื่ออม่ให้มันเย็นไว้ฮะ ไปเย็นอกเย็นใจอยู่ตล อ, อดเวลามันร้อมไม่ได้เพราะเราเคยดูอยู่เราเคยเราจะรู้จักควบคุมอยู่บางที่เราเผลอไปมันร้อนเราก็รู้จักแก้ไขแล้วะหรือไม่ส ง, งบอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะรู้จักที่จะเปลี่ยนอารมณ์รู้จักเปลี่ยนความรู้สึกได้รู้จักแก้ไขทําการทํา ง, งานอยู่ที่ไหนก็ได้นี่หมายถึงมาสร้างจังหวะนี่มันเป็นรูปแบบ ก็วพยายเกิดปัญญาเนี่ยมาทำอย่างนี้เพื่อให้จิตสงบเคยรู้สึกตัวีก็ใหมีความรู้ตัวรู้สึกอยู่เห็นความรู้สึกก็จะว่างจะไราก็จะสงบนั่นเองวมากน่ะหรืสงบกได้เดี๋ยจิตใจมันไม่ติดไม่ยึดมันปล่อยมันวางเป็นความปล่อยความวางจิตเป็นความไม่ติดไม่ยึดโง่เ้า ว่างเบา อ, อกบาใจคนเราธรรมดาไม่รู้เลยมันจะหนากอกหนกักใจหาความสุขไม่ได้ยังมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการใช้ชีวิตอย่งางนู้นต้องมีความสุขมั่นเองถึงจะเดี๋ยวคุ้มค่าใช้ชีวิตยังไงถึงมีความถึงจะคุ้มค่าก็หมายถึงนี่ไะรู้อย่างนี้เนี่ยชีวิตใช้ชีวิตถึงจะคุ้มค่าเนี่ยถึงวัเดี่ยวมาปฏิบัติทำไมเราเพื่นรู้อย่างนี้ อฏิบัติไ้ให้มันรู้อย่างนี้มันไม่ใช่ไปมุ่งเอาแต่สงบอย่างเดียวแต่สงบแล้วไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาได้ไม่มีประโยชน์ใดสงบแบบไม่เอาไหนยังทีนี่แมวไหนสงบแล้วยิ่งขี้เกียจที่ค้านอย่ยเยอะๆนะแต่เดี๋ยวสงบแบบไม่เอาไหนเนี่ยมาปฏิบัติทำเนี่ยแล้วก็มาติดความสงบอยู่จมอยู่กับความสงบเลยขี้เกียจเลยไม่อยากทําอะไรเลยพอไปทําอะไรไม่เข้าใจร้อน พอมัไม่รู้ไม่มีปัญญาที่จรู้จิตเป็นถ้าเราโล่ก็เป็นไปฮะอยู่กับคาทำงานอยู่ท <spoil Allison> ุกสิ่งทุกอย่างแล้วสงบเสียนี้นั่งทํำสงบเห็นพาพงบอยู่อย่าลืมมันนี่เปเจริญหนึ่งไปไหนมาไหนทําการทํางานเหนื่อจิตใจแล้วก็สงบอยู่พักอยู่หยุดอยู่เป็นพ้าปลอยพระพระไม่อัานไม่การกับฝึกอยู่ฝันรู้สึกว่าไม่อัานแล้วไม่การร่างกายก็ไม่เก่งเนื้อเก่งตัวต้องทําให้ต่อเนื่องนะไม่ใช่รู้แค่นี้ ต้องทำให้ต่อเนื่งองอแต่ทำให้ต่อเนื่องมันใช้เวลาเป็นปีๆเลยเดี๋ยวอยบอกเนี่ยพออย่างนี้จะให้มันต่อเนื่องเดี๋ยวนี้แล้วก็อยบอกว่าทำไม่ได้มันมีทางได้มันใช้เวลาเป็นปีๆเลยนี่มันมีเดินจงกรมสร้างจังหวะนี่แหละเป็นการสร้างสติหรือเจริญสติหรือเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนคา ร, รู้สึกตัวเพิ่มพูนนี่หรือรู้กายรู้ใจของเร หรือจะรักษากายรักษาใจให้มันสมดุลให้มันปกติก็เป็นไปเพิ่มไม่มีทุกข์นี่เรื่องพุทธศาสนาคือเรื่องความสุขนะนี่แหละบุญเขาว่าไดบุญบุญก็จะตรงนี้เดี๋นี้ไม่มีทุกข์เลยนะมีความสุขก็นะนั่นแหะเป็นชื่อของบุญศาสาธรรมะก็เรียกว่าบุญถ้าแบบอย่างเราธรรมดาเออรู้สึกมีความสุขวันมันรู้สึกมีความสุข หายใจเข้าก็รู้สึกมีความสุขหายใจออกนอนนนนนก็มีความสุขนั่งยืนเดินนั่งนอนทาการทางานก็มีความสุขนั่นแหะเราอยู่กับบุญนะเรีกยกวคนมีบุญนะอันนี้ก็ต้องฝึกฝนเอาอ่ะอันนี้มีสต้องมีเสืาตังก็ไปซื้อก็ไม่มีขายนะต้องทำเอาเอง